จะศึกษาเรั่งนี้เอาเรื่องนี้ต่อรองระหว่างเิมพากับศิจัตถะไม่ใช่เรื่องอื่นเลยแล้วก็มองใครมองมนุษย์ในโลกสัตว์โลกทั้งหลายก็ตกตูดในสิ่งเหล่านี้มีความเกิดมีความเจ็บเจ็บตายมีความทุกข์เป็นเวอร์น้ามีความทุกข์ย่างเอาแล้ว ความเจ็บความเจ็บความตายนี่แต่คนร้องไห้ไมีแต่คนเป็นทุกข์ไม่มีใครสนุกเรื่องนี้ต้องหาคำตอบให้ได้เรื่องนี้โท่านั้นจึงเกิดศาสนาพุทธศาสนาขึ้นมาเราก็ให้มันเป็นการบ้านของเราทุกคนทุกคนเหมือนกันหมดเพรมันลักษณะ อย่าออกบวดเพื่อการอื่นอย่าไปใช้ชีวิตเพื่อการอื่นให้เป็นอาชีพเรื่องนี้โดยตรงจุดแข็งและถามเป็นพือเรื่องชีวิตของเร า, าเวลาใดมัรลุหรือว่าไรชีวิตเวลาใดมันหลงไม่มีชีวิตแล้วเตือนหลงเป็นลู่นั่นคือเอาชีวิตเกิดมา ได้จะเป็นความเกิดมันเกิดหลงก็มาลู้หรือว่าไม่หลงเป็นลู้แล้วก้งหลงดับไปต้องลู้ขึ้นมาเทนแจ้ไขตรงนี้ไปก่อนปเป็นก้าวแรกต้องเป็นก้าวแรกได้ถึงความไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ตายมันเป็นผลการเดินทางต้องเปลี่ยนตรงนี้มันแล้วจะเดินทางไป ไหอนทางจากกรุงเทพมาสุขโขตเอาแรกต้องออกจากบ้านออกจากกรุงเทพก็ไม่มีฐานตรงไหนก็ยังไม่ไปไหนวนเวียนอยู่สิ่งที่ขวงกั้นก็มีในการเดินทางเจลาจนปัญหาต่างๆ นั่นก็ยังเป็นเรื่องใหญ่แต่การเดินทางไปสู่ความไม่เกิดไม่เก่ไม่เก็บ ไ, ไ, ไม่ตายไม่เป็นหาขนาดนั้นนั่นอยู่กับเราแต่ว่าก็มีขวงกัน้นเหมือนกันจริงที่ขวงกัน้นใหญ่ๆลูกโขลูกใหญ่ลูกโตเวยควางพวกงงหง่ อ, งองนอน เรียกว่านิวรธรรมเกิดภูเขาคิดฟุ้งซ่านดังเลสงสัยมีนิสัยหลาคาจรลิตโทสะจรลิโปูหะจลิดเป็นเจ้าบ้าเจ้าเลือนไปไหนไม่ได้หง่องหน้าหง่องหลังเสียปกคอพอปกครอไปไม่ได้ทั้งใจ ก็มันเคยชินมันติดมันย่อมเอาเหมือนผ้าที่ย่อมเอาสีต่างๆก็ติดไปเรืแล้วแต่มันไม่ใช่เหมือนสีชีวิตของเราใจของเราจิตของเรามันสามารถที่ซากใต้ความหลงไม่ใช่เนื้อแท้ความทุกข์ไม่ใช่เนื้อแท้ความโกรธไม่ใช่เนื้อแท้ความเจ็บเจ็บใจไม่ใช่เนื้อแท้เนื้อแท้ของจิตคือไม่เป็นอะไร บริสุทธแต่เดิมแต่ที่มันเป็นมันไปซุกซนก่อนค่ายชีวิตของเรามันซุกซนเหมือนคนซุกซนในเรื่องต่างๆทุกซนในการมรคะก็เป็นเอิดซุก ส, สนในความโกรธก็ติดคุกติดตารางซุก ส, สนในความโลภความหลงก็เป็นโทษเป็นภยัยเสียหายเพราะใช้ชีวิตถือพาด ทำไมตัวยังเดือดร้อนทำไมคนื่งเดือดร้อนในความทุกข์สนเราจึงสามารถหัดได้หัดก็หัดจากนี่แหละไม่ใช่ไปอ้อนวอนที่ไหนมันมีสติเห็นกายเนี่ยมันจะหัดตรงนี้ตําลาเล่มใหญ่อยู่ที่นี่แต่มันไปทั้งเงินกลับมาให้เป็นปัจจุบัน เอาว่เจ้าที่เกิดเป็นเจ้าขึ้นมาก็ศึษาเรื่องนี้การคู่เฉีนเข้าการเหยียดเฉนออกให้รู้ตรงนี้การเดินไปข้างหน้านการกลับไปกลับมาให้รู้ตรงนี้การหายใจเข้าหายใจอยอกให้รู้ที่นี่เป็นเรื่องของกายการเดินก็เป็นเรื่องของกายการเคลื่อนไหวเป็นเรื่องของกายการหายใจเป็นเรื่องของกาย การคิดที่มันหลงคิดมันสุขวนทุกข์ที่มันเกิดจากความคิดเป็นเรื่องของกิตใจมันอยู่ด้วยการแต่อาัยเป็นหลักอวัยเป็นมิตจะไปจับกิตจับใจจั บ, จ บ, จ บ, ค, จบความคิดเลยไม่ได้เรื่องจะเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยไปห้ามคิดไปควบคุมความคิดจนสงบเป็นก้อนดินก้อนหินสมองแบบนี้การศึกษาแบบนี้มีมาก่อนแล้ว าพันปีอย่างน้อยนี่ก่อนวิปัจจนาในรูปของสมานะอาจารย์สนัยเวรอาจารย์สนใสัเวลตปุตอาจาย์ะปุตอาจรรอจรย์ักุาจากยนระจายนะปาจยนัะุอ น, นเละปุกอัาอานะอรระไรย์เวรตุ <c oughs> จัไม่ได้เขาสอนกันมาแล้วเวลาเวลากระ บ, บุดยืนจนเถาววันพันขาขึ้นมาพันขึ้นมาพันขึ้นมาพันขึ้นมานนเขามีมาก่อนแล้วไปดูทำอชันตาอโลล่าที่มันเป็นประวัติศาสตร์อยู่ที่กับลลังกะบตดประเทศอินเดีย โลล่าเป็นของที่เกิดกรรมผลเดินจนเนถา ว, วันพันขาขึ้นมาพันเดียวขึ้นมาปืยกายมีมาก่อนแล้วเป็นศาสดาของเขาก็ยังไปมีคนกรบบาบไหว้กันเป็นจำนวนมากอยู่ ที่ปัชนาเกิดที่หลังนับดูก็สอง0ห้ายเก้าสิบว่าปีมานี่เองจากปะฎิเนปพาน2้า3ยห้าสบสามจากวันกัตจัลูก่อนนี้สี่ห้าปีบวกเข้าไปสองห้ห้าสิบสามเอาสี่้าไปบวกเป็นสอง0ห้ารย้าสิบ เท่าไหรห้าบวกเก้าเป็นเท่าไรเอาห้าบวกสามเป็นเท่าไหรห้าบวกสามเป็นแปดสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าสิบแปดปีสองพันห้าร้อยเก้าสิบแปดปีเกิดมาเท่านี้แต่ว่าส ม, มถะเกิดหมางก่อน อย่างน้อยก็มีอาจารย์เป็นหลักฐานอุกตกระดาบทอลาตราบทที่ประจิตทะออกไปศึกษาเรื่องนี้จนได้ฌานสมาบัติก็อะไยศึกษาด้วยตนเองไม่เป็นที่พอใจไม่ทั่วไปในประเทศแต่เราก็มีอยู่ น, นั่งนิ่งไม่ลุกไม่เคลื่อนไม่ไหวบางทีก็เข้าฌานฌาน ชานวุ่นวายทำให้คนเสียเวลาเ็ดวันบ้างห้าวันบ้างไม่กินข้าวมากินน้ำคนก็อสัญจรเอาชาญแบบนั้นชาญจริงๆคือสติเนี่ยอันฌานไปใช่หลบไปนั่งในห้องไหนท้ำไหนภูในเขาชาญจริงๆคือสติที่มันไม่เป็นอะไรกับอะไรเนยเผากิเลสชาตะ ชาปนกิตเขาบอกชาปนาิกิตคืออะไรได้ยินไหมไม่คีเขาบอกชาปณิจิตคืองานอะไรฮะงานอะไรชาปณิจิตงานผุ <c oughs> ผุอะไรผุซักศกทําไมจึงเผุเพราะมันสกปรกเอาไว้มันสกปรกผัมันเหลือแต่กระดูกให้มันสะอาด เอากระดูกมาใส่โกรดเอาไม้บูชาถ้าเป็นคนทำนาก็เรียกว่าอธิถ้าเป็นพระพุทธเจ้ารียว่าพระธาตุมีไหม้ที่นี่มีไหมพระธาตุเห็นไห ม, ไ, มไหนขี้รู้จีอ่อนๆต่างอยู่นะ <laughs> เรียกว่าพระธาตุ อันนั้นีงก็ชาต้อนั่นแปลว่าเผาอะไรคือเผาลูสตินี่แหละมีสติเครื่องเผาเจิตเหลดมันหลงลูกขึ้นมาตายไปแล้วกําหลงหมดไปแล้วมันทุกข์ลูกขึ้นม า, ามมนทกุกข์กเผาไปแล้วมันทุกข์มันสกปกความหลงสกปกความหลงในสกปกที่สุดในเบื่อเกินใจเรา หลงไปในความคิดถ้าเรามีสติจะโอ้ยเวลามันห ล, ลงมาถึกบ้านอยากจะเอามือรูปหน้า อ, อกแต่ก่อนดืด้อ <c oughs> ด้านในความหลงเฉยจนหลงเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ยังเฉยอยู่หลงจนน้ำตาร่วงก็ยังเฉยไม่อายบางบางทีเอาไปอวดกันด้วย เอาความโกรธที่เป็นผิดผลความหลงไปอ้างกันถ้ากูได้โกรธตายกูไม่ลืมถ้ากูได้โกรธกูไม่ดา่ากูไมยอมถ้ากูได้โกรธกูไม่เดือฆ่ามันไม่ยอมนั่นเนี่ยด่าดื้อด่าถ้ามันรู้สึกตัวมันทําไม่ได้มันจะหมดไปสิ่งสกปรกนั่นจะหมดไปคําว่าฌานตัวนี้คือสติเนี่ย สติอย่างยิ่งอย่างพระเจ้าปณินพานตรงไหนละสุขละทุกข์ได้มีสติเป็นเอกมีจิตเป็นเอกผุดขึ้นจากสุขจากทุกข์มีสติแล้วแลละอยู่ปณินพานตรงนี้ไม่ใช่ปณิพานที่ไหนอยู่ที่นี่มีสติเนี่ยเห็นอะไรไม่เป็นกับอะไร หลงตาเลยพูดแบบสรุปสรุปสรุปไว้เลยเจ้าเจ้าก็มองสัจิธัมองแบบสรุปมองแบบไหนนะสัจจิตักออกบวชนี่มองกันแบบไหนมองแบบสรุปเห็นเกิดต้องไม่ไม่เกิดเห็นแจต้องไม่ไม่แจเห็นเจ็บต้องไม่ไม่เจ็บเห็นตายต้องไม่ไม่ตายแน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุด สรุปลงมาเนี่ยหลวงตาเลยพูดแบบหลวงตาไม่เป็นอะไรก็บรรไหยมันสุขไม่เป็นผู้สุขเห็นมันสุขมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นมันทุกข์มันโกรธไม่เป็นผู้โกรธเห็นมันโกรธมันหลงไม่เป็นผู้หลงเห็นมันหลงมันโลนไม่เป็นผู้โล่นเห็นมันโล่นมันเหนาไม่เป็นผู้เหนาเห็นมันเหนา มันหิวไม่เป็นผู้หิวเห็นมันหิวมันหายใจไม่ได้ไม่ใช่เป็นผู้หายใจไม่ได้เห็นมันหายใจไม่ได้มันตายไปแล้วเห็นมันยินมาดูตัวเองดูแวภายในมองกลับถ้าเป็นดวงตาก็กลับเข้ามาด้านในไม่ออกไปข้างนอกมีครั้ น, นเห็นเราส่ายยางเต็มยมหงศ์ต้องสองลู ปากก็มีแต่สายยางนิ้วมือทุกนิ้นมีแต่สายยางนมในนะอกมีแต่สายยางอะไรที่มีแต่สายยางเต็ไมไปหมดถ้าเบื่อหน่ายที่สุดวางทิ้งเลยเอาแล้วไม่ต้องใช้มันแล้วเราจะอยู่ยังไงล่ะมันหายใจก็ไม่ได้เขาไม่ต้องหายใจมันละ่ะไม่อาลมหายใจมาเป็นการต่อรองชีวิตไม่ต้องตายเพราะลมหายใจไม่ต้องเก็บเพราะความเก็บ อยู่เฉยๆลวยบอกว่าไม่เป็นอะไรก็อะไรอยู่ได้เลยอยู่ได้พออยู่ได้ก็อยู่ไปเลยที่ว่าตายไปเนี่ยเอานั่นเนี่ยแล้วจะทำยังไรแน่นอนต้องเก็บต้องตายชีวิตเราเนี่ยตรงนี้แหละทำเป็นหรืออย่างทำให้มันเป็นจึงมงหัดให้มันเป็นไม่ใช่มาจำมาให้เรียนรู้ ทุกคนนั่งอยู่นี่มีแต่ลูทั้องนั้นไม่ใช่มีใครไม่ลู้แต่ลู่นี่คนอื่นสอนเราแต่การน้ำไปเป็นเนี่ยเราต้องทำแไงเวลามันหลงลูกขึ้นมาเนี่ยทำเป็นไหมถ้ามันอะไรมันลูกขึ้นมาเนี่ยให้มันทำเป็นตรงนี้หัดจังนี้ไปก่อนเห็นทุกคนแล้วนี่มันลึกล้บมีความลู้มือวางไว้บนเขาก็ลู้ได้ทุกคนเอแครงมือก็ลู่ได้ยกมือก็ลู่ได้ บ า, ามือหลงรู้ได้เพราะมือหลงรู้ได้เวลามันหลงมันก็รู้ได้เพราะเราดูอยู่เนี่ยมันหลงไปกลับมาเนี่ยมันกลับได้ปติคือกลับตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้ให้มันได้ดันนานนิจติติตั้งไว้นานนานนิจติต่อเนื่องนานนานมันจะงอกงามเหมือนลากต้นก้าต้นก็ต้นแค่เนี่ย เอาไปปักลงในดินนีความชื้นโมควรไม่ปักมันก็ไม่เป็นต้นหญ้ามันงอกขึ้นมายังรากลงไปลองโต้โตขึ้นแก่ข้าขึ้นใหญ่ขึ้นกลายเป็นเม็ดข้าวเอามากินเป็นเลือดเนื้อของเราอันจากสตินี่เป็นเป็นอะไรทับเป็นมรรคเป็นผล ผลไปใช้อ้อนงวนเอากงิดอกทองไปซื้อเอาไม่มีทางมีเงินล้านเงินล้น้านซื้อเอาไม่ได้ต้องทำเอาเองเป็นอนี้ิสําแบ่งปันกันไม่ได้เวลาท่านหลงคุณต้องเปลี่ยนหลงเป็นลูกเองเวลาคนโกรธคุณต้องเปลี่ยนโกรธเป็นลูกเองตรงเนี้ยตรงกันข้ามอย่างเนี้ยมันสรุปแบบเนี้ไม่ลึกลับเลยใครก็ทําได้ ไม่ใช่อาจารย์นั่นเข้าฌานโอ้ยท่านทาได้ผมทำมาได้เราทําไไรไม่ใช่เพราะฌานคือสติเนี่ยไม่ใช่สอนให้คนเป็นนั่งทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งบ้านทิ้งช่องถ้าจะเป็นต้องสัญญาความรักกับลักลกับจนตายแต่บางคนไม่มีสัญญาก็ไปเลยใช่ไหมไม่ใชื่หรือว่าสัญญาใครหรอ มีสัญญาก็ต้องให้มันสุจริตซื่อสัตย์ต่อกัน น, นี่คืออิสระในทางปฏิบัติชีวิตของเราประเทศไทยมีศาสนาแบบนี้มีวัดแบบนี้มีนักบวชแบบนี้มีสถานที่แบบนี้มีอาชีพแบบนี้อาศัยบินธบาเลี้ยงชีวิตด้วยลำแข้ง นนี้คนก็มาช่วยเรามันก็สะดวกไม่ต้องทำไรทํานาผิดวินยัยพิจูไปทํานาอาชีพอาชีพหาอาชีพข้าขายไม่ได้ไม่แด่โูต่ายโูต่ายไหมไม่คิดหรือว่าห่วงน้าห่วงหลัง <laughs> นะอยากให้โูต่ายเนะ ชวนคนมาก็ไม่ค่อยมีใครมามาก็ไม่จริงจังแล้วจะไปที่ไหนกันพวกเราเนี่ยการรู้สึกตัวอยู่ที่ไหนอยู่ที่ดอนอยู่ที่ลุ่มบยู่ที่เมืองอยู่ที่ป่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่คาเมีที่ไหนมันอยู่ที่เราเนี่ยหัดตรงนี้จะโกน แต่ให้เป็นที่เริ่มต้นหัดเป็นแล้วไปใช้ชีวิตได้ทุกอย่างเหมาะใจการงานจะเป็นเมียเป็นเมียอย่างดีเป็นสามีก็สามีอย่างดีเป็นลูกอย่างดีเป็นพ่อเป็นแม่อย่างดีเป็นเพื่อนอย่างดีไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอมตะชีวิตเป็นอมตะพระพุทธเจ้าเป็นยอดนักรักที่สุดในโลก องคุติมานจับดาบไล่ฟันอยู่โวยังคิดจะช่วยเหลือองค์ติมานจนช่วยได้มีใครบ้างที่เป็นอย่างนี้เมื่อไม่นานมานี้นักสอนศาสนาทักหลายไปชุมกันเขายกให้พุทธศานะสนาเป็นศาสนาที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าศาสนาของเขายังพูดถึงการค่าแต่ศาสนาของพระพุทธ ของพวกเราไม่มีเลยคําว่าพูดถึงการฆ่าไม่มีเราจึงเป็นชาติน้ายอดเยี่ยมเขาก็ดำในชาตินาศาตดาของเขาพูดถึงการฆ่ากันยังมีอยู่ทั่วๆ่วไปในศาสดาทั้งหลายในศาสนาทั้งหลายในโลกเนะนี่ยเราไม่ชาติดาหรือว่า สมบูรณ์แบบไม่มีอะไรที่บกพร่องเลยในพุทธประวัติไ้อ่านดูตั้งแต่กำเนิดเกิดนาของพระจิตธธร ถ, ถเป็นอย่างไรจนตัดออกบวดได้ตัดรูปเป็นรูเจ้าใช้ชีวิตเป็นนักบปวดเป็นอย่างไรมีหลักมีฐาน เป็นตัวหนังสือเล่าไม่ใช่ยังมีหลักฐานมีร่องรอยไปดูได้2000 2000สองพันสัวปีมีอยู่ทุกแกมันช่วยหลงตากับแกะกับแกะมันกลับแกะได้ กับแก้ได้อันหลงแก้ไม่หลงได้อันโกรธแก้ไม่โกรธได้ <laughs> ออะไรก็ดี๋ยวเราให้เกียรติตัวเองเนาให้สงสารตัวเองให้เป็นเวลามันหลงสงสารเราเวลามันทุกข์สงสารเราช่วยกายช่วยใจยช่วยรูปช่วยนาม อย่าเบียดเบี่ยนตนเองอย่าบียดเบี่ยนคนอื่นถ้าสงสารตัวเองได้โอ้ยแต่ก่อนเราไม่เคยช่วยตัวเราเลยปล่อยให้เราบวมนคนคิดคิดช้าลรพัฒนาอะไรก็คิดได้พอมาดูลราโอ้ยสงสารปล่อยให้ความคิดแล่นไปหมดพลังงาน กลางคืนก็ว่าฝันกลางวันก็ว่าคิดกลางคืนเป็นขวานกลางวันเป็นเปลวไม่หยุดไม่เย็นสักทีก็มารู้ตัวเองขึ้นมาอนุ่มตาซึมเป็นหลายวันนะเรื่องนี้พ่อก็ไม่สอนแม่ก็ไม่สอนแต่พอรู้เรื่องนี้แล้วก็โอ้ยขอบคนณคุพ่อคนแม่ที่ให้เราชีวิตเรา มีชีวิตยอยู่เป็นกำเนิดเกิดชีวิตของเรามามีลูกมีนามมีกายมีใจเพื่อแล้วความชั่วทำความดีได้ลูกที่ได้มาจากพ่อจากแม่จะทำอย่างนี้แต่ก่อนเราลูกที่ได้มาจากพ่อจากแม่ทำนี้พระจ้า ก, ก็ไปดูไปได่าใครคิดก็คิดทำลายตัวเองคิดปีดเวียนตัวเองคิดเียดเวียนคนอื่นคิดถึงความโลภ ไม่ดูจากจบจากทิ้นไม่ดูจากอิม่มสงสารตัวเองพ่อรู้อ่างนี้ก็คล้ายๆกับว่ายกมือไหว้ตัวเองได้อดไม่หล่นทำมาได้ไปบอกแม่จะคิดว่าจะช่วยพ่อพ่อก็ไม่มีแล้วตอนี้จากตั้งแต่เต้นเด็กๆเดี๋ยวแต่แม่ไปบอกแม่ นะแม่คุ้มค่าแล้วที่ให้ชีวิตลูกชายมาหนึ่งคนนะไม่เสียค่านำนมหรอกนีนนน่เราเนี่ยทำไงนะช่วยตัวเองได้ไหมเราโกรธพ่อแม่ไม่อยากให้เราโกรธสงสารพ่อแม่โกรธไม่ได้เราก็ทุกข์พ่อแม่ไม่อยากให้เราทุกข์สงสารแม่ทุกข์ไม่ได้ เราหลงแม่พ่อของเราไม่อยากให้เราหลงสงสารแม่หลงไม่ได้เราจะเอาแม่เนี่ยได้มาเนี่ยพ่อได้มามาทําความดีประลความชั่วจเจ้าไปทําทุกอย่างที่เป็นความดีไม่สงวนชีวิตที่ได้มาจากพ่อจากแม่เนี่ยให้มันคุ้มค่าเราศึกษาที่ไหนปฏิบัติธรรมที่ใด ต่อไ่เปลี่ยนที่ตัวเรานี่จะไปเปลี่ยนที่ตรงไหนที่ไหนจะจริงใหญ่เหล่านี่แหละจะยิ่งใหญ่มันหลงมีสิทธิไม่หลง <c oughs> มันโกรธมีสิธิไม่โกรธมันทุกมีสิทธิไม่ทุกเป็นธรรมมาทิปไตยเมื่อมันเปลี่ยนตรงนี้ก็เป็นโลกาทิปไตยเป็นประโยชน์ต่อโลก เป็นธรรมทิบไ์ใจประโยชน์ต่อธรรมอะไรเป็นธรรมขึ้นมาให้ควาเป็นธรรมทุกอย่างไม่ตินไม่ชายไม่เบียดเบียนเล่ยท่าต่างๆไม่ทำลายตินพราอากาศไม่ทำลายในใจพ้องกันด้วยโจตจุดความสามารถนี่เราจะมีชีวิตแค่นี้ไม่เอาอะไรอีกขอใช้ชีวิตอย่างนี้ เพะนั่นนี่ก็ให้ให้เราทุกคนเนี่ยให้มันเห็นมันรู้เรื่องนี้ซะตื่นแต่ดึกสึกแต่หนม่มอย่าหอให้เท่าให้เจอะใชาเจอเท่าก็ามาแล้วมันมันทำอะไรค่อยได้เช่นอาชีพที่ออกบวชเนี่องชีวิตนะตั้งแต่หกปี สิบหกปีนั้นก็พระเจ้าคือตัวสร้างประสาสัมรูเพื่อผูกมัดให้อยู่มาคลยมีสีให้พิมพหวนสวยปราสาทสามฤดูิ์เขาสนมกำนันในเจินเกิดพลังหนุนขึ้นมาในช่วงนั้นอายุเ ข, ข้ายี่ิบเ้าพรรษา อดไม่ได้แล้วเรื่องนี้ศึกษาเรื่องนี้ ก, กันอดไม่ได้โลไม่ได้อีกแล้วเกไปคนนี้ไม่ได้อีกแล้วออกฝันวดัดสัญญากันอย่างดีกับพิมพาร์เราก็จิตตะกอลักพิมพาร์พิมพาก็ลักจิตตะก์ความลักของเราสองคนเท่านี้ไม่พอให้ความลักของเราเป็นเรื่องของโลกลักคนทั้งโลก ที่จะสมศักดิ์ีแห่งความรักถ้าละคนทั้งโลกจะต้องทำไงแต่ต้องหาคำตอบตรงนี้ให้ได้การเกิดไม่ต้องมีความมาเกิ ด, ดถ้ามีเจต้องมีความไม่เจถ้ามีเจ็บต้องมีความไม่เจ็บถ้ามีตายต้องมีความไม่ตายหาคำตอบมาช่วยคนท้องโลกมาช่วยมนุษย์ท้องโลกให้ได้เราสักหน่อยได้ไหม พิมพาก็ประสูติวห้องห้วนใหม่ก็ังยังอ่อนแออยู่ยังช่วยเดินมาคุยได้จิต้าก็พงไม่ลำบากสาวสนมไม่เยอะพิมพาไม่ต้องทำอะไรไม่ลำบากใน่จิตถาอยู่ก็ไปช่วยเรื่องนี้มีแต่สนมกบดันในไม่ลำบาก ติมพาจะอยู่ที่ไหนไม่ลําบาเรือกอุปสราสามดูอยู่ได้อย่าไปไหนอยาไปเที่ยวติดหรือดอนตรงไห น, นอยู่รชาชวางังไม่ลําบาตกลงกันอย่างเลยเชื่อเลยเอาเถอะพร ะ, สะเสด็จพี่สเสด็จพี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชลักขบวนไปไหนนี่ตกลงกันอย่างเนี้น นี่มนุษย์ใครจะยิ่งใหญ่ขนาด น, นี้นะละ่ะรับผิดชอบเรื่องกเกิดเกิดเจ็บเจ็บตายของสัตว์โลกนะเป็นสามัญลักษณะทุกชีวิตต้องมีตรงนี้นะไม่ใช่ชีวิตส่วนตัวใครตัวมันไม่ใช่มีเกิดมีเจ็บมีเจ็บ ม, ม, มีตายทุกคนในเรื่อนีอตอบเรื่องนี้มาได้นะไม่สมชื่อว่าเป็นเจ้าป้าชายนี่ยิง จึงมีศาสา ข, ขึ้นมาพุทธศาสต ข, ขึ้นมาจนมาถึงพวกเราทุกวันนี้เราก็ได้ประโยชน์นีอนสิสงฆ์กติศาลาหลังนี้เป็นอนิสง์ของพระเจ้าที่บอนที่นุ่งอยู่นี่เป็นอนิสงฆ์ของพระเจ้าอาหารที่เราได้กินทุกวันนี่เป็นอนิสง์ของพระเจ้าเก็บป่วยไปนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสองปีหมดเกินเป็นล้านล้าน เป็นอะไรสงของผู้เจ้าเราจะเอาจังไงในะชีวิตของเราเนะเลือกได้ในประเทศไทยเนะี่ยอยากมีสานที่แบบนี้อยากจะอยากจะท่าไทย <c oughs> อยากจะท่าไายเรื่องนี้มันนานเหลือเกินขอท่าทายว่าถ้าใครมาจะเล่นสตียงเนี่ย ขอพูดขอรับกิดชอบทั้งคำสอนพระเจ้าผูดเลยจิิศสติอย่างต่อเนื่องหนึ่งวันเจ็ดวันอย่างกลางหนึ่งเดือนเจ็ดเดือนอย่างช้าที่สุดหนึ่งปีเจ็ดปีจะเกิดมรรคผลนิพพานขึ้นแน่นอ น, นะจะผลบุญเหนือการเกิดเจ็บเจบตายแน่นอนที่สุดพระเจ้าท่าทาอย่างนี้ไปอ่านหนังสือธรรมวิจารณ์ดูนักธรรมชั้นเอกหลานตาก็จบนักธรรมไปอ่านเหมือนกัน สอบได้การไปเรียนนักธรรมเนี่ยไม่ใช่ไปเรียนในห้องสี่เหลี่ยมยเรียนจากกรรมฐานเนี่ยเรียนไปแล้วก็ไปอ่านหนังสือประกอบไม่กี่วันถึงเวลาใกล้สอบก็ไปอ่านหนังสื อ, อ, อดูอันไหนที่มันควรจำเพื่อไปอ้างเองก็ไปสอบได้สอบไหม จะให้ขึ้นบัญชีสอบเนี่ยน่าจะสอบนะน่าจะอ่านนะพวกเราที่อยู่นะนวพ่าเทียนสนุนสูตให้เรียนนะเรียนล้วก็สอบเราไม่ไม่แท่ไปสอบไปอยู่ที่ไหนสอบแล้วเพื่อมาประดับเพื่อจะรับผิดชอบลรงนี้กันนี่ก็คิดว่าจะไม่พาหลงทิดหลงถางไม่พาผิดศีลผิตธรให้เชื่อฟังลองดู ขึ้นเราอยู่ด้วยกันเนี่ยอุปชาอาจารย์อาจารย์ทังไงต่อลูกสิทธิ์อาจารย์ก็บอกไม่ปิดบงังกำแพงพยานสอนจิตระววิทยาอย่างนี้ไม่สอนอย่างอื่นที่นี่สอนกรรมฐานบอกอย่าเนี้เอแล้วมันหลงไม่หลงได้อยู่ เ, เวลามันโกรธไม่โกรธได้อยู่ เ, เวลามันทุกข์ไม่ทุกข์ได้อยู่ไม่ปิดบงงังกำแพง เวลามาเกิดจิตติฐาไม่เป็นไปกัรมันได้โยมันหลงคิดมันก็เกิดจากความหลงนี่แหละเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนความหลงเป็นบิดาของเป็นบรรดาของความชั่วความรู้สึกตัวเป็นบรรดาความดีกุศลออกุศลแยกตรงนี้กุศลคือมีสติอกุศลคือหลงนี่มันแยกตรงนี้ทุกคนมีจิที่ทำหน้าอย่างนั้นลองเอาไปเฉลิมฉดู จะไปทิประเจ้าจะไปไหนป้องกันให้จะไปศึกษาที่ไหนถ้าตามทําม่ไหนเี๋ยบอกเราฝากท่านมีศักดิ์ศรีไปฝากมีมีอันเตวาสิกที่วัดป่าสุโขตุประสงค์จะไปศึกษาธรรมะกับท่านขอให้ท่านเมตตากุณาสอนเธอคนนี้เป็นผู้ที่ ว่านอนสอนอ่างมีปัญหาอะไรบอกมาอย่างต้นสังกัดเราจะรับผิด ช, ชอบให้ส่งมาลูกศิษย์เราก็เอาหนังสือไปให้อาจารย์มีศักดิ์ศรีนะไม่ใช่ไปมาจากไหนมาจากสุโกโต้ไม่มีอะไ ร, รักฐานไม่มีการป้องกันให้อย่าง้องตาไปอยู่ก็ชมทานเจ้าคนปัญญาะนรมนีน่มนไปต้องมานี่มน หลวงพ่อเทียนขอหลวงพ่อเทียนมาขออนุญาตหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนก็บอกว่าขอจากเจ้าคอนเทงหวัดเจ้าคอทงหวัดเลยเป็นเป็นฝ่ายปกครองให้เจ้าคองหวัดทรงไปไม่เขียดไม่ชักศีเจ้าคอทงหวัดก็ฝากไปหลวงตา อ, อยู่ที่จันเจ้าคุณพญานาคก็ฝากลูกศิษย์บาอยู่ที่นี่เหมือนกัน วัดพระที่วัดชมทานมาอยู่นี่หลายรูปนะมีหนังสือฝากมาว่าถ้าพวกเราจะไปสงค์จะไปไหนบอกนะเรารับผิดชอบป้องกันให้ทิศทั้งปวงป้องกันให้ทุกทิศทั้งปวงไปสู่ทิศใดทางใดบอกในหะ้ับผิดชอบว่านี่เป็นสติวาลีกเป็นเดวาสิกของเราก็ามีอะไราหายสั่งมา อาจะว่ า, ากา่กาตะเกีบยบหน้นนนาก็เป็นอย่างนั้นทำไม่ไหนของเราป้องกันอย่างนี้ไม่ใช่ไปไหนอย่างถ้าไปเดินทุ่งตงไปพักที่วัดห น, นึ่งจังหวัดประจวบขากลับมาเดินทุ่งงจากสวนหมวกถึงเมืองเลยเลยนะเดินทุ่งงจากเมืองเลยถึงเชียงใหม่เลยกลับมาพัก วัดหนังที่อำเภอจังหวัดประจวบอำเภอบางสะพานก็มาเย็บผ้าผ้ามันขาดก็จะนอนขอดนอนค้างคืนที่วัดเขาคืนเดียวแต่ผ้ามันขาดเปิดผ้าปะผ้ากันอยู่เลยไม่ได้กลับไปเดินจงกรมเล่นอยู่เยาวาดมาเห็นเขาเห็นเย็บผ้า อ, อยู่ เอบอกว่าเจ้าผ้ามาให้ว่าว่าไม่เอาถือผ้าสามผืนพอใส่ได้ก็ใส่ไปก่อนอเห็นเดินจงกรมอยู่เขาก็บอกว่านี่มอนอยู่นี่สอนญ้าสอนโยนช่วยผมด้วยบอว่าไม่ได้ถ้าจะให้ผมมาอยู่ต้องขอหลงวงพ่อเทียนก่อนหลงวงพ่อเทียนอาจารย์อยู่ที่เมืองเลยแล้วเขียนเราจะขอจะมาจู๋ไหมถ้าหลงวงพ่อเทียนให้มาก็จะมา หลังว่อเทียนไม่มาก็มาไม่ได้เพราะอาจารย์ของผมอยู่ที น, นั่นต่อเลยท่านก็เลยเขียนจด ห, หมายไปขอหลวงพ่อเทียนนี่ไม่ใช่เราจะยืดหมูยื่นแมวกันตามทําไมเป็นว่าใครจะไปไหนบอกบอกลากันดีๆเราจะป้องกันน่ะเนี่ยควมอยู่ร่วมกันรับผิดชอบชนตายแม้ไม่ใช่ดกสิตแต่นี่กำลังมีเจ้าภาพมาสร้างกติไว้ หลังหนึ่งเพื่อคนที่ป่วยวันละสุดท้ายมาจากไหนก็ได้เราจะดูแลแล้วมันมีชีวิตดีๆอยู่ไม่มาให้มันป่วยใจจะขาดมาที่นี่จะสอนตรงเนี <laughs> ้ยจะสอนตรงมันใจจะขาดเนี่ยเอาเถอะรับรองนะไม่ทอดไปเที่ยงนะถ้าล่องตายัางมีชีวิตอยู่นะ่ะให้สร้างกติไว้ใกล้ๆกระล่ลองตานะจะได้ดูแลมีสจลาไก่ หลังหนึ่งเพื่อมีญาติมาพักคนป่วยอยู่ที่นั่นเราจะดูแลเรารู้จักรงทานไม่ใช่เราเป็นหมอจะดูแลใจเวลามันจะขาดชนะํานยังไงเนะี่ยนี่นะเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้